ครั้งที่แล้วเราก็ได้กล่าวถึงเรื่องของไตรสรณคมก็คือกล่าวถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธเจ้านี่หมายคำ ว, ว่าอย่างไรยมถ้าถ้ามีคนมาถามเราว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นอย่างไรผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการด้วยตัวเอง นั่นแหละนะง่ายๆเลยก็คือพระ อ, องค์ผู้ตรัสรู้อริยสัจด้วยตัวเองด้วยตน เ, เองโดยที่ไม่มีใครแนะนําในเรื่องทุกทุกขสมุทัยทุกขานิโรธทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาแต่ทีนี้ถ้าหากว่าทุกเนี่ยแปลว่าแค่เจ็บปวดอย่างเดียวนะเด็กมันเกิดมามันร้องไห้หิวนี่มันแค่เจ็บเนี่ยถ้าถ้าทุกขาริยสัจมันง่ายแค่เจ็บนะเพราะเด็กทั่วไปเกิดมาเนี่ยถ้ามันเจ็บมันร้องไห้เลยก็รู้แล้ว แต่ว่าคําว่าทุกเนี่ยกว้างขวางมากชีวิตทั้งชีวิตของเรานั่นแหละคือกองกองทุกขที่ถามว่าทำไมจึงทุกเที่ยงไม่ล่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตานั่นแหละแล้วพระองค์มีปัญญาตรัสรู้สิ่งเหล่านี้พร้อมทั้งปัจจัยของชีวิตทั้งหมดทุกแง่มุมเสร็จแล้วพระองค์ก็สามารถที่จะเจริญ พ่อปฏิบัติมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนสงบระ ง, งับดับความถือมัน่นแต่ไทยๆก็ถือมัน่นบาลีใช้คาว่าอุปาทานระ ง, งับอุปาทานได้ทั้งหมดแล้วก็สิ้นอาสะวะทั้งปวงบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นก็ตอนที่พระองค์ยังไม่ได้บรรลุธรรมพระองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเราท่านทั้งหลาย แต่ทำไมพระองค์จึงตรัดสรู้ได้ทำไมพวกเราไม่ตัดสู้ต่างกันตรงไหนต่างกันรตรงที่พระองค์สั่งสมบุญบารมีมาเราเป็นคนที่สั่งสมมาเหมือนกันแต่ยังไม่มากนะักน้อยไม่พอที่จะตัดสู้ด้วยตัวเองได้ตัดสู้ตามนี่ก็เต็มทีแล้วนั่นแหละ พระ อ, องค์ผู้สั่งสมบารมีมาแล้วสามารถตรัสรู้อริยสัจสีแล้วพระ อ, องค์เนี่ยตรัสรู้จนถึงดับกิเลสได้โดยสิ้นเชิงเป็นพระอรหันต์เพราะดับกิเลสทุกชนิดได้จิตใจของพระ อ, องค์เนี่ยเขาบอกว่าบริสุทธิ์ดุดแท่งทองชมพูนุชที่ผ่านการหลอมมาอย่างดีอทองนี่มีสนิมใช่ไหมสนิมทองก็มีทําให้ทองในเศร้าหมอง ใจของสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันเศร้าหมองเพราะสนิมคือโลภะสนิมคือโทสะสนิมคือโมหะพระพุทธเจ้าเนี่ยหลอมจิตของพระองค์เนี่ยนะเคาะสนิมออกจนหมดเกลี้ยงมีความบริสุทธิ์ดุดแท่งทองชมพูนุตแม้แต่พระอินทร์ก็ชมแม้แต่พรหมก็สารเสริญเพราะความที่พระองค์สามารถชำระจิตได้ขนาดนั้นแหละเขาจึงเรียกว่าเป็นพระอาหารหันต พระอรหันต์ที่ตรัสรู้ด้วยตัวเองและเป็นผู้มีวิชา8ประการมีจารณะสิจารณะเท่าไหร่จารณะ15ประการแล้วพระองค์เป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเสด็จออกจากกามด้วยเนคข ม, มะเป็นต้นนะไอเสด็จไปนี่ไม่ได้แปลว่าเดินทางด้วยเท้านะแปลว่าเสด็จออกจากกามด้วยเนคข ม, มะพระพุทธเจ้าก็เห็นแต่พระองค์เนี่ยเห็นแล้วพระองค์ไม่ บอกว่าใบาบัวไม่อมน้ำฉันใดใจของพระองค์ก็เห็นแต่พระองค์เนี่ยสลัดออกนั่นแหละทัา น, นใจพระองค์ออกจากกามด้วยเน่คัมมะออกจากพยาปาทะด้วยอัพยาปาทะออกจากพยาบาทด้วยเมตตาออกจากวิหิงสาด้วยกรุณาออกจากถีนมิทะด้วยอโลกาสัญญาออกจากวิจิกิจช้าด้วยการกำหนดธรรม ออกจากอวิชชาด้วยปัญญาออกจากนิวรณ์ทั้ง5้าด้วยปฐมฌานออกจากวิตกวิจารณ์ด้วยทุติยฌานเนี่ยพระองค์เนี่ยการไปของพระพุทธเจ้าไปแบบนี้นะออกจากปีติด้วยตติยฌานออกจากสุขและอ่าออกจากสุขด้วยจัตุทัชฌานออกจากรูปสัญญานานัตตสัญญาปฏิฆาสัญญาด้วยอาการสารัญจายตนะออกจากอาการสารัญจายตนะด้วยวิญญาณัญจายตนะออกจากวิญญาณัญจายตนะด้วย อากินจัญญาจตนาออกจากอากินจัญญาจตนาด้วยเนวสัญญาณาสัญญาจตนะออกจากนิจสัญนิจจะสัญญาด้วยอนิจจานุปัสนาออกจากทุกขสัญญาด้วยทุกข า, านุปัสนาออกจากอัตตสัญญาด้วยอนัตต า, านุปัสนาออกจากนันทินันทิความเพลิดเพลินด้วยนิพพานุปัสนาพระอผ์เดินทางแบบนี้ไปแบบนี้เรียกสุขโตรเริ่มไปดี ออกจากสังโยชตสกายทิฐิวิจิกิจฉาศีและพระตะปราหมาด้วยเนี่ยไปจากพุ่งนี้ด้วยโสดาปฏิมักเนี่ยสุขโตเหมือนกันสเสด็จไปด้วยสกะทาคามิมักเนี่ยสเสด็จออกจากกามราคะปฏิฆะอย่างหยาบอันนัพระองค์นั้นละสังโยชตเบื้องต่ำเนี่ยนะออกจากสังโยชตเบื้องต่าเสด็จไปดีแล้วด้วยอนาคามีมักออกจากสัพพากิเลทั้งหมดด้วย อรหัตมรรคเขาจึงเรียกว่าสุขโตสุขโตผู้เสด็จไปดีแล้วของเรานี่ยังไม่ทันไปไหนเลยเห็นแล้วก็โอ้ใช่ตรงนี้แหละติดหนับเลยนั่นแหละแม่แต่พอเห็นแล้วเมตตาจะเกิดยังยากเป็นทีเลยเนาะเราเห็นว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยเห็นแล้วก็ยังโกรธอยู่เห็นแล้วก็ยังอ่ายังชอบอยู่ไอ้คาว่าชอบนั้นอะ่ะเป็นชื่อของความเพลิดเพลินถ้ายังชอบก็ยังเกิดอีกแต่ ก็ยังถูกมั้ับอยู่เรียกว่าอุปทานเป็นสังโยชน์เป็นคันถะเป็นเครื่องผูกเป็นเครื่องร้อยรับติดหนับไปเลยแต่แต่ช่างมันเถอะเนาะของเราได้นับถือคนไม่ยึดถือนี่ก็เก่งนะเน ะ, ะเรานับถือคนที่ดีขนาดนั้นโหสมควรแล้วที่จะเป็นสารณะของเราเราทั้งหลายขอตรัสรู้ตามผู้นั้นนะ่ะอย่างนี้ชื่อว่าผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะนะเราขอตรัสรู้ตามท่าน วันนี้ยังไม่ตรัสรู้ตามยังไม่เป็นไรขอให้รู้ก่อนว่าท่านตรัสรู้อะไรในชั้นต้นนั้นเรายังไม่ต้องรีบใจร้อนตรัสรู้เลยเดี๋ยวถ้าเกิดตรัสรู้คนละอย่างอะเราก็รู้เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็รู้เหมือนกันรู้คนละวิชาอย่างเงี้ยเจ๊งเลยไม่เป็นไรตอนนี้ไม่ต้องรีบบรรลุก็ได้ไม่เป็นไรนั่นแหละขอให้ศึกษาไปเรื่อยๆก่อนว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อะไรท่านตรัสรู้แค่ไหนตรัสรู้ด้วยข้อปฏิบัติอย่างไรศึกษาให้เข้าใจให้ละเอียดละอจริงๆแล้วอะ เราสามารถตรัสรู้ตามท่านได้ไหมนั่นแหละอันตอนนี้เราก็ศึกษาตามท่านศึกษาตามท่านเนี่ยขณะที่ศึกษากุศลจิตเกิดไหมกุศลจิตเขาเรียกว่าบุญใช่ไหมอ่าบุญคําว่าบุญนี้แปลว่าชําระบาปบุญอย่างนี้เป็นปุญญาพิสังขารปรุงแต่งวิบากและกรรมชรูปที่ดีเพราะฉะนั้นกุศลจิตเกิดขึ้นไม่ต้องห่วงว่าพบที่ดีย่องสร้างว่าสร้างพบไว้ให้แล้วล่ะ เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ศึกษาพระธรรมนะสร้างภพที่ดีไว้ให้แกเราแล้วเรียกว่าเป็นปุญญาพิสังขารแต่บางคนก็บอกโอ้ท่านท่านศึกษายอย่างนี้จะไปสวรรค์ได้เลยเลยได้ถ้ากุศลจิตเกิดจริงๆแต่ถ้าบาปมากั้นไม่รับรองนะถ้าไปทำบาปอย่างอื่นเอาไว้ด้วยนี่ไม่แน่ใจแต่ถ้าบุญอันนี้เนี่ยให้ผลเป็นความสุขแน่นอนสามารถตอบได้รเอร์เซเลยว่าบุญให้ผลเป็นความสุข น, นะมีกําไรที่เป็นสุขอย่างน้อยๆเนี่ยมนุษย์กับสวรรค์นแน่นอนแต่ถ้าบาปมามาตัดทอนอ่ะนะสมมุติว่าทํางานรายได้วัละพันอย่างเงี้ยโอ้รายได้นี่ได้หนอๆเลยใช่ไหมใช่แต่คุณมีหนี้สินไม่ละได้ไปพันหนึ่งก่าจ่ายหนี้ไว้เลยไม่ทันเหลือเลยนั่นแหละการศึกษาพระธรรมเนี่ยขณะที่ศึกษาก็เป็นบุญแต่เป็นขณะที่ศึกษาชําระจิตด้วยจิตผ่องใสด้วย แล้วก็คนที่สะสมความรู้ความเข้าใจอย่างนี้อนาคตต่อไปจะศึกษาพระธรรมจังง่ายกว่าคนธรรมด า, านะถ้าหากว่าท่านที่มาฟังหลายวันแล้วกับไม่เคยมาฟังเลยมานั่งฟังเนี่ยคนที่ไม่เคยฟังเลยจะเข้าใจยากกว่าเราเนี่ยนะอันนี้สอข้อนึงอันนี้สอข้อต่อต่อไปอีกนะคนไม่ได้ฟังกับคนได้ฟังเนี่ยคนได้ฟังมาจะสังเวทใจง่ายานะฮิเรโอตปะจะเกิดง่ายเทวธรรมจะเกิดง่าย เหตุโอตปาเนี่เป็นเทวธรรมเป็นคุณธรรมของเทวดาเอ๊เทวดาเป็นไม่ยากนะเริ่มเห็นอายชั่วกลัวบาปมากขึ้นเทวธรรมก็เกิดเมื่อเทวธรรมเกิดบ่อยๆเข้าศรัท ธ, ธาก็จะเกิดขึ้นศีลก็จะเกิดขึ้นสุตะจาระปัญญาคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นปิดอบายได้นชาติหนึ่งถ้าชาติหน้าไม่เมาซะก่อนนี้ก็ไปต่อไปสูงไปอีกต่อไปได้แต่ถ้าเมาก็อย่างว่ากลับมาอีกตัณหากลับมาแล้วต่ำกว่า น, นี้ดิแย่เลย พราะฉะ น, นพระพุทธเจ้านั้นเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่กําจัดภัยเป็นผู้ที่อํานวยให้ประโยชน์แก่เราทุกอย่างประโยชน์ทั้งโลกนี้ประโยชน์ทั้งโลกหน้าและก็ประโยชน์อย่างยิ่งเลยก็คือพระนิพพานอันเราสามารถที่จะได้ประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกนี้ถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษาปฏิบัติพระธรรมอย่างดีจริงๆแล้วประโยชน์โลกนี้จะได้หนึ่งนะยอมมาเล่าให้ฟังว่า ศึกษาธรรมะนี่เออทรัพย์มันน้อยลงกันนะเออคือมันจ่ายเงินน้อยน้อยเหมือนกันบอกว่าลดการใช้จ่ายอันนั้นแหละแล้วถ้าศึกษาธรรมะเรื่อยๆนะและอีกอย่างหนึ่งการใช้ทรัพย์ของเราเราจะรู้ว่าอะไรควรใช้ไม่ควรใช้ถ้าเราสแสวงหาทรัพย์อย่างนี้มาเนี่ยสมมติไปเจอวัตถุหนึ่งเชนขึ้นมาวัตถุอันนี้เนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้บาปได้ไหมเราจะไขควรในวัตถุที่เราจะใช้แต่ละอย่างแต่ละอย่างใช่ไหม ก็ถือว่าเป็นการป้องกันภัยในโลกหน้าต่อไปด้วยพรธเจ้าจะสอนเราหมดและอีกขณะเดียวกันนะถ้าเราเข้าใจเรื่องสัมปชัญญะ4อย่างดีเยี่ยมเป็นผู้ที่สแสวงหาประโยชน์อย่างยิ่งด้วยในขณะที่ไปขณะที่ยืนเดินนั่งนอนแลเหลี้ยวหรือจะไปจะมาก็เป็นผู้ที่ไม่ละเลยประโยชน์อย่างยิ่งนั่นแหละนั้นพระเจ้านี่เป็นให้ให้ประโยชน์เหล่านี้แก่เราทั้งหลายเพราะฉะนั้นคาถาที่พระองค์ทรงสแสดงให้กับ ชัตตะมานะวะมานพเนี่ยฟังว่าบรรดาผู้กล่าวสอนอยู่ศาสดาผู้ใดเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์เป็นสักยาุนีเป็นพระวาเป็นผู้ทำกิจเสร็จแล้วถึงฝั่งแล้วถึงพร้อมด้วยพร ะ, ระและวิริยะเธอจงเข้าถึงผู้นั้นผู้เป็นสุคตเป็นสารณะคือเป็นที่พึ่งเธอเธอจงเข้าถึงพระธรรมที่สำรอกราคะไม่หวั่นไหว ไม่เศร้าโศกเป็นอาสังคตธรรมไม่ปฏิกูลภัยราอเสื้อตรงจำแนกไว้ดีแล้วนี้เนี่ยเป็นสารณะเธอบัณฑิตทั้งหลายกล่าวทานที่ถวายในท่านเหล่าใดว่ามีผลมากท่านเหล่านั้นคือพระอริยบุคคลสี่คู่เป็นบุรุษบุคคล8ผู้แสดงธรรมเธอจงเข้าถึงพระสงค์นี้เป็นสารณะเถอนั่นแหละนี่ก็คือสารณะสามประการที่พระผู้มีพระภาคทรงไปสอน ฉัตตะมานพซึ่งฉัตตะมานพนั้นครั้งที่แล้วกล่าวถึงว่ากําลังห่อเงินไปห่อเงินไปตั้งพันหนึ่งใช่ไหมไปจ่ายค่าเล่าเรียนที่เรียนกับโปคระสาติพรามณ์ผู้เป็นอาจารย์ต้องพอเรียนจบปั๊บค่าบูชาครูพันหนึ่งทีนี้ในขณะที่ถือทรัพย์มานั้นน่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเล็งแรงพยามตั้งแต่เช้า ว, ว่าฉัตตามานพนั้นจะถูกฆ่าตาย อันพระองค์ก็เลยมาสอนเรื่องสารณะก่อนสอนเรื่องสารณะและศีลให้ฉั ต, ตะมานพอันขณะที่พระพุทธเจ้านี้ตรัสถึงวิธีถึงสารณะและก็ชี้คุณของสารณะด้วยคำสามคาถาที่ว่าไปเมื่อกี้นี่แล้วก็ตรัสให้สอนวิธีสมาทานศิกขาบทเหล่านั้นด้วย แกมานมานบนั้นก็รอ้อน้อมรับอย่างนี้แล้วมานบนั้นก็ทบทวนแม้วิธีสมาทานนั้นด้วยดีคือทบทวนทั้งศีลทั้งสารณาคมอย่างดีมีใจเลื่อมใสกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์จะไปละก็คือได้สารณะและศีลจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ไปแล้วก็ระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยเดินไปตามทางนั้นเอง แม้พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพุทธดรรมรียว่ากุศลเพียงเท่านี้ของมานกนี้พอที่จะให้เกิดในเทวโลกแล้วได้เสด็จไปพระวิหารเชตวันอย่างเดิมมานกนั้นก็มีใจเลื่อมสายตั้งอยู่ในสาระทั้งหลายด้วยความเป็นผู้มีจิตตุบาทเป็นไปว่าคือความเกิดขึ้นของจิตนะเกิดขึ้นของจิตที่เป็นมหากุศลว่าข้าพระเจ้าถึงสาระดังนี้โดยกาหนดคุณของพระตนตรัย และตั้งอยู่ในศีลทั้งหลายด้วยอธิษฐานศีลห้าตามนัยยะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วนั่นแหลกกำลังเดินระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยตามนัยยะนั้นแหลพวกโจรก็กลูกันเข้ามาที่หนทางมานกไม่ใส่ใจในพวกโจรเหล่านั้นเดินระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอย่างเดียวโจรคนหนึ่งยืนซ่อนในระหว่างพุ่มไม้เอาลูกธนูอาบยาพิษแทงอย่างฉับพลันทาให้เขาสิ้นชีวิต แล้วก็ยึดหอกกระหาปะนะหลีกไปพร้อมกับพวกสหายของตอนนะกาลังตามนึกถึงพุทธคุณอย่างดีเลยเนี่ยถูกฆ่าตายเนี่ยถ้าหากว่าสมัยนี้เสงสัยพระพุทธเจ้าไม่ขลังแน่ใช่ไหมนึกถึงพุทธคุณอยู่น่าจะป้องกันจากอันตรายเหล่านี้ได้ที่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้แล้วว่ายังไงชายคนนี้ก็ต้องตายพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้สัตว์ตายได้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยแค่พ้นหน้าพระพุทธเจ้าปั๊บตายแล้ว แต่ว่าจะไม่ตายต่อหน้าพระองค์เท่านั้นแหละแต่ว่าพอออกพ้นหน่อยตายแต่พระพุทธเจ้าจะช่วยให้เขาไม่ตายคือหมายความว่าไอ้กายที่เปื่อยเน่าในภพนี้ยังไงมันต้องตายอยู่แล้วละ่ะจะเร็วหรือช้าต้องตายแน่หม้อดินที่นายช่างปั้นไว้แล้วเนี่ยยังไงก็ต้องแตกจะเร็วหรือช้าเท่านั้นเองกายของเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันยังไงก็ต้องแตกอยู่แล้วต้องตายอยู่แล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เข้าถึงคําที่ไม่ตาย นันฝ่ายมานพนั้นทำกาละแล้วตายไปบังเกิดในวิมานทองสามสิบโยต์โอ โ, โยตหนึ่งก็สิบหกกิโลเมตรรวยเลยนะเป็นมหาเศรษฐีในเมืองสวรรค์เลยนะั่นในสวรรค์ชั้นดาวปรดึงเป็นเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นจุติดับปุ๊บปฏิสนธิเกิดต่อทันทีปฏิสนธิเกิดปุ๊บนีเหมือนกับคนหลับแล้วตื่นขึ้น อย่างพระรูปหนึ่งในอัชราตสูใช่ไหมท่านเดินจงกรมไปเดินจงกรมไปลมมันเสียดแทงหน้ามืดล้มคว่าหน้าตายตรงนั้นเน่ยปฏิโซนที่ที่สวรรค์เหมือนกันเหมือนคนหลับแล้วตื่นขึ้นอย่างนั้นแหละแล้วก็มีนางอับซรนพันหนึ่งแวดล้อมสมัยก่อนนะศึกษาธรรมะใหม่ๆเนี่ยฟังดูอย่างนี้บอกมันเวอร์เกินไปโอ้โหจะมีผู้หญิงที่ไหนไปแวดล้อมอะไรเป็นพันๆขนาดนั้นแต่ว่าตอนหลังไม่ค่อยสงสัยเลย ไปงานปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ตามนะให้ทานรักษาศีลที่ไหนก็ตามผู้ชายอยู่สามคนผู้หญิงอยู่หลายร้อยคนอย่างเงี้ยก็เลยเชื่อเลยว่าเออใช่ใช่ ใ, ชในคําพี่ท่านว่าอย่างนั้นจริงๆก็เห็นเหตุในปัจจุบันแล้วมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละผู้ชายมีอยู่คนสองคนแค่นั้นแหละบางทีมีหัวหน้าทายกมาพาพาสมาทานศีลอยู่คนเดียวนานๆเข้าทายกก็ไม่พาสมาทานศีลแล้วนั่นแหละผู้หญิงพากันเองหมดเลยตอนหลังมันเป็นอย่างนั้นลองรับดูสิของเราผู้ชายกี่คน แต่นี่บริษัทนี้นับว่าเยอะหลายคน น, น, ค น, นี่นม <laughs> ีแปดคนอ่ะ น, นะนั่นแ <c oughs> หละส่วนส่วนมากแล้วชาวเศตษฐะพยะชาวอุกตะและชาวอิจฉานังคละก็ได้ประชุมกันโห <c oughs> พอตายปั๊บเนี่ยนะคนตายก็ประชุมกันเหมือนกับงานศพไทยๆเรานี่แหละโหญาติที่บ้านเหนือบ้านใต้ขนาดไหนก็แห่กันมามูดนั่นแหละ ออกหนังสือพิมพ์ด้วยนะว่าจะประชุมเพลิงวันนั้นวันนี้ใช่ไหมญาติญาติก็จะได้ไปรวมกันเยอะๆทีนี้ฉัตตัมานพคนนี้เนี่ยเขาเป็นลูกของเศรษฐีแล้วก็พ่อญาติทางพ่อทางแม่เนี่ยเยอะญาติทางอาจารย์ก็เยอะและคนดีด้วยใครก็อยากมาร่วมบุญกันครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระดําริว่าเมื่อเราไปฉัตตัมานเพเทพพระบุตรจะมาพบเราเราจะให้เขาพูดมาแล้วกล่าวถึงกรรมที่ได้ทําไว้ ให้ทําผลแห่งกรรมนั้นให้ประจักษ์แล้วเราจัดแสดงธรรมมหาชนจักตรัสรู้ธรรมด้วยอาการอย่างนี้พระองค์เนี่ยปารบเลยหาช่องกลาลังคนประชุมกันนั่นแหละแล้วคนเหล่านี้นี่มีอุปนิสัยที่จะได้บรรลุธรรมคือตรงไหนที่จะได้บรรลุธรรมนะไกลขนาดไหนพระองค์ก็จะไปแต่ว่าที่เป็นอย่างนี้เนี่ยพระองค์วางแผนไว้ก่อนแล้วใช่ไหมวางแผนให้มานพเนี่ยถึงไตราสารณาคมสมาทานศีล ตายและไปเกิดในสวรรคนะ์แล้วพระองค์ก็จะมาสงเคราะห์เดี๋ยวเรื่องประจบกันพอทีว่ามหาชนก็จักตรัสรูธ้ธ ร, รมด้วยอาการอย่างนี้ครั้นมีพระดำริแล้วพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ก็เสด็จเข้าไปยังประเทศนั้นประทับนั่งเปล่งพระพุทธรังสีมีวันณะหประการแผ่รัศมีออกมาเลยว่าพระพุทธเจ้ามาแล้วอะไรเงี้ยป่งแสงออกมาจากตัวก่อนณโคนต้นไม้แห่งหนึ่ง ครั้งนั้นแม่ฉัดตะมานพเท พ, พบุตรตรวจดูสมบัติของตนทบทวนเหตุแห่งสมบัตินั้นโอ้เกิดมาหลับตื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นเท พ, พบุตรรรบงามมีทรัพย์มากก็คือเห็นการถึงสารณะและการสมาทานศีลเกิดความประหลาดใจเกิดความเลื่อมใสามากในพระผู้มีพระภาคเจ้าคิดว่าเราจะไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าและไหว้ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้แหละ และจกทาคุณของพระรัตนตรัยให้ปรากฏแก่มหาชนอยากจะเล่าให้คนอื่นเข้าฟังว่าโอ้โหผลของบุญเนี่ยมันน่าอัศาจรรย์อย่างนี้นะเทพพระบุตรอาศัยความเป็นผู้กระตันอยู่กระทาประเทศแห่งป่านั้นทั้งหมดให้มีแสงเป็นอันเดียวกันมาพร้อมกับวิมานโอ้ลงเลื่อนวิมานมาด้วยเลยลงมาจากวิมานปรากฏองค์ให้พร้อมด้วยบริวารหมู่ใหญ่เข้าไปมอบถวายบังคมด้วยพระเียร กล่าวนะแทบบาดพระยุคนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนประคองอัญเชลีอยู่มหาชนเห็นดังนั้นจึงประหลาดอัศจรรย์ว่านี่ใครหนอเทวดาหรือพรหมพาการแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าคนนี่งงเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะทรงทําบุญกรรมที่เทพบุตรนั้นกระทาไว้ให้ปรากฏจึงตรัสถามเทพบุตรนั้นว่าพระอาทิตย์ในท้องฟ้าก็ไม่สว่าง พระจันทร์ก็ไม่สว่างดาวฤกษ์พุสธะก็ไม่สว่างเหมือนวิมานนี้มีรัศมีสว่างมากไม่มีที่เปรีย บ, บโอ้โหรัศมีของของวิมานเนี่ยสว่างกว่าดวงอาทิตย์อีกนะท่านเป็นใครจากดาวเดึงมาสู่แผ่นดินรัศมีเกินยี่สิบโยชต์ตัดรังสีพระอาทิตย์และทํากลางคืนให้เป็นเหมือนกลางวันวิมานของท่านเน้นงามบริสุทธิ์ผุด่อง มีดอกปทุมมากมีดอกบุญทริกงามเกลื่อนกลาดไปด้วยดอกไม้ทั้งหลายงามไม่น้อยคลุมด้วยตาข่ายทองที่ปราศจากละอองทุลีสว่างอยู่ในอากาศเหมือนดวงอาทิตย์วิมานของท่านบริบูรณ์ด้วยเหล่าอักษรผู้ทรงผ้าแดงและผ้าเหลืองหอมตลกไปด้วยกฤิศนาประยงและจันทร์มีองค์และผิวพันธ์เปล่งปลั่งดังทองเหมือนท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวทั้งหลาย ทวยเทพระบุตรและเทพระวิทิดาในวิมานนี้มีมากประหลาดหลากวันนะมีอาพรเครื่องประดับด้วยดอกไม้มีใจดีมีกรองทองนุ่งห่มด้วยอาพรที่เป็นทองโชยกลิ่นหอมไปตามลมนี้เป็นวิบากแห่งการสํารวมอะไรสํารวมก็คือสังวร น, นั่นเองเอนะสิ่งเหล่านี้มาด้วยผลของบุญบุญที่ทำให้ท่านเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นบุญชนิดไหนนะท่านเกิดในวิมานนี้ด้วยผลแห่ง กุศลกรรมอะไรและท่านได้วิมานนี้โดยวิธีใดท่านถูกเราถามแล้วเชิญบอกตามสมควรแก่วิธีนั้นเถิดมันคล้ายๆกับว่ารถนี้ท่านได้แต่ใดมาอย่างนี้นะไปถามวัดซื้อมาสิทงนะดังนั้นเทวดาก็เหมือนกันแบบท่านได้สมบัติทั้งหลายเหล่านี้เพราะบุญอะไรเพราะกุศลกรรมอะไรมา ลำดับนั้นเทพพระบุตรก็ได้พยากรณ์ด้วยคาถาเหล่านี้ว่าพระศาสดาเสด็จมาพบมานบในทางนี้ก็คือเล่าย้อนให้ฟังว่าคำว่าศาสดานี่ก็คือมาจากครูครูก็คือผู้สอนผู้สอนหรือภาษาศาสดานี่แปลว่าผู้สอนในประโยชน์สอย่างประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าประโยชน์ใน พนิพานหรือว่าเป็นผู้สอนในอัตถะประโยชน์ประโยชน์ตนสอนประโยชน์ผู้อื่นและก็สุดท้ายสอนประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนั้นพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้สั่งสอนศาสตร์ทั้งหลายให้เข้าถึงประโยชน์พระองค์นั้นเสด็จมาพบมานบในทางนี้ด้วยพระองค์เองเมื่อทรงอนุเคราะห์ได้ตรัสสอนแล้ว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 ด้วยสัจจะ น, นี้มาขอความสวัสดีจงมิเงเนี่ยพระองค์นั้นเป็นรัตนะอันประเสริฐแล้วก็ฉัตรมะนพนี่ได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วก็ได้กราบทูลว่าข้าพระองค์จักกระทำตามพระองค์ตรัสสอนว่าเธอจงเข้าถึงพระชินวรผู้ประเสริฐทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆ์เป็นสารณะเนี่ยพระองค์ทรงสอนนะ ว่าให้เธอเนี่ยจงเข้าถึงพชินวรชินวร์นวรเนี่ยก็คือชินะบวกวระชินะแปลว่าชนะวระแปลว่าประเสริฐชนะชนะอะไรพระองค์ผู้ชนะมารทั้งห้ามารทั้งห้าคือ1กิเลสมารพระองค์เนี่ยชนะได้เด็ดขาดเลยกิเลสมาร 2. อภิสังขารมารอาสังขารคือบุญบาป3เทวบุตรมาร